มีขนมมีอะไรใครได้ยินว่าดาวเขาจะทำเป็นข้าวเหนียวไก่า ย, ย่างจะมาทำที่ไหนจะมาทำที่นี่บอกอ่าทำไปให้พอได้เด็กเด็กหมดอำเภอได้อ่าเอาไปแจกเด็กเขาขอลงทานเ <c oughs> <c oughs> ขาก็ลงทาน ที่จริงโรงทานเนี่ยเราก็เห็นว่าเหมาะสมที่ไหนเราก็ให้ไปรองทานเนี่ยเห็นว่าที่ไหนเหมาะสมเราก็ให้ไปรงทานเนี่ยที่ไหนเหมาะสมเราก็ให้ไปแต่เราไม่ได้มีสำหรับเขาขอนะอเขาขอเนี่ยเราต้องวิ่งตามเขานักมันไม่ไหวเด้เหมือนน้ำเหมือนไงน้ำเนี่ยน้ําเรามีสำหรับเราแจกไม่ใช่เรามีสำหรับให้ขอน้ํำเราเนี่ย เรามีสลับแจกเด้เรามันได้มีสลับขอเด้ <c oughs> แจกหมายความว่าตรงไหนเหมาะสมใครเหมาะสมอะไรยังไงเหมาะสมเราก็แจกไปตามนั้นแต่ถ้าเขาขอนโอ้โหขอทีละรดทีละลดทีละลดเราเอาอะไรอะไรมาให้เขาอะ่ะขวดหมื่นหนึ่งก็ตั้งสามหมื่นเงินพอน่ะ <c oughs> ขวดนะ่ะน้ำเนี่ย <c oughs> นี่น้ำขวดนี้น้ำ น้ำฟรีแต่ขวดน่ะสิขวดแพงเมื่อก่อนบ้านไผ่เขาเอามาให้เรานนี้ไม่ได้เอามาให้เรานานแล้วบ้านไผ่เขาเอามาบ่อยเขาก็ไม่ไหวอ่ะเขาธุรกิจเขาเอามาทีละหมื่นทีละแปดพันทีละหมื่นทีละแปดพัน 8, อเอามาครั้งหนึ่งเขาก็ต้องคิดเป็นเงินก็นสองหมื่นสองหมืนขึ้นเขาทําธุรกิจเนะี่ย เราหมดเขาให้เราหมดเขาให้เราก็เลยแจกไม่อั้นนี่ยเขาก็จะมีกําลังอะไรให้ <c oughs> เราบอกว่านะ้ําเรามีสลับเราไปสงเคราะห์ที่โน่นที่นี่เท่าที่เท่าที่จําเป็นเราไม่มีสลับขอถ้าเราถ้าเขาขอเราเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันวิ่งตามเขาไม่ไหวบอโอ้เราไม่ได้มีสลับขอนะเรามีสลับเราไปไปไ ป, ไปแจกตามตามที่เราเห็นเหมาะสม <C disciples> <t od ic peu> ลงทานก็เหมือนกันเราไม่ได้มีสลับขอแต่อันนี้ไปเพื่อเป็นการสาธารณพวกเราไปทำได้บุญที่เราไปที่เราไปไปเราก็ไปที่เราไปทำทำกันก็ส่วนมากเราไปที่วัดไปงานวัดก็พวกเราไปบ้างดาวเขาเป็นหลักคิดนูน้นคิด ady, นี้เมนูนู้นเมนูนี้ บางทีพวกเราก็ไม่มีอะไรช่วยเขาบางคนก็มีแรงไปช่วย <c oughs> อะไรคือประโยชน์ทีท่ทำเถอะทําประโยชน์เราไปเที่ยวขอพรคราวที่แล้วเขาใ ห, ให้ไปเทศที่หาอะไรศิล ป, ปากรเขาตั้งหัวเรื่องว่าธรรมะกับพรปีใหม่เราเอ๊ะทำมาอะไรเนาะกับพรปีใหม่นะ <c oughs> เราไม่รู้จะเอาธรรมะอะไรไปพูดกับพรปีใหม่นะแล้วก็พูดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องอะไรแต่ออไรเนี่ยแหละในเมื่อเราทําพร้อมแล้วเราไม่ต้องขอพอรผลมันเกิดในตัวการขอพอรนี่ขอเพื่อได้กําลังใจอย่าอย่างไปขอพอรผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ให้ให้มาครับเออให้รวยๆนะสูตรนะ ให้ได้กาไร ด, ดีๆนะแต่จะของไม่ขยันนะ่จะจาของขี้เกียจนะมันจะไปได้อะไรให้เจริญเจริญนะืให้ฉลาดฉลาดนะขี้เกียจดูหนังสือขี้เกียจท่องหนัสือมันจะไปได้อะไรคนเฒ่าคนแก่เขาก็ให้ให้เราเหมือนอย่างพระท่านให้อายุวันณนะสุขภาพร่าเนะ่ะท่านให้พรเนนะ่ยเออแต่ถ้าพรระดับออกจากปากพระพุทธเจ้าใครแน่นั่นแล้ว ออกจากปากพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่นว่าอย่างไงเป็นยังไงเด้บ ร, รมีเพิน่นในพวกเราก็พูดให้กำลังใจกันเฉยเฉยท่นเองแต่ถ้าพูดแล้วคนที่ฟังไปตั้งใจทําให้มันได้ตามนั้นะผลมันถึงจะมีถ้าไม่ทําบอกแล้วก็เฉยบอกแล้วก็เฉยมันก็แห้งคือเก่าหมดละสูวเราทําไม่ได้ดอกให้ทานาให้ไปรักษาศีลก็รักษาไปภาวนาก็ภาวนาไปสิ่งเหล่านี้แหละมันมีผลตอบแทน ดีกว่าเราไปขอพรแล้วเราไม่ทําเอาอ่ะมันไม่ได้อะไรแหละขอพรช่วยเสริมกําลังใจให้กําลังใจไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีเดี๋ยวเราหมดแต่ไปนอนใจเออท่านให้เราอายุอันนาสุขาพละให้เราร่ารวยนะเสดศีเสษธีเสดธีนะไปงอมืองอตีน่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นกําลังใจเป็นกําลังใจช่วยเฉันนั้น เหมือนพวกหมอดูหมอเดาอย่าเงี้ยพวกหมอดูเขาก็หมอเดาเขาก็หากกินของเขาเพราะว่าเพราะว่ามาเขาก็เท่ากับช่วยให้กําลังใจเราแต่เราต้องไปดิน้นไปเต้นไปขวนไปขอยไปปากกัดตีนที่ของเราทําเอาสิ่งหลนั้นเป็นกําลังใจพรครูบาอาจารย์พรปีใหม่ก็คือช่วยเสริมกําลังใจไปพูดถิงเราปากที่ศีลปากก่อนวันนั้น เนี่ยมาวันที่ทลายเนี่ยมาวันที่ทลายนอที่เก้าเนี่ยศิลปรกรตอนเช้าเราไปฉันเสร็จแล้วลงหลวงปู่เจริญเทศสามแปดนาทีตอนบ่ายให้เราไปเทศอีกบ่ายมงเราก็ไปพักที่วัชรธรรมกลับมาพักวัชรธรรมชั่วโมงกว่าเออได้ยินว่าแม่เนนจะมาวันนี้น ะ, ะจะไปหลบอยู่ไหนเนี่ย แม่จะมาวันนี้เนี่ยฮะรู้จักไหมฮะแม่มาจะเป็นโลคอยู่ไหนอะฮะ <c oughs> นรื่งน้อยฮะแม่ปูกับปูกับ่ามาด้วยเปล่แม่กับญามามปูบาดได้มาก ฝ่าพรชรชธรรมพอนี้โชคดีมีจัดเตรียมเขาอบรมทุกเรือนมีแต่ประกอบงานกุศลเท่านั้นไปช่วยแจกทานตรงนั้นตรงนี้เราก็ว่าจะพูดสั้นๆให้มันจบนะศิลปากรเขาบอกว่าบ่ายสองโมงเนี่ยต้องได้ออกแล้ว มันไม่งั้นไม่ทันเครื่องฟาดไปสัสองโมงสี่สิบคน่ะใบสองสี่สิบไปโอ้โหโชเฟอร์นี่มันลุกเรียลุกรถมันจะไปก็ซิบเราให้เราหยุดไอเรารู้อยู่เรารู้อยู่แล้วเราบอกเราทิ้งเลยแหละไปไม่ทันกระช่างมันะเอาใหม่ซื้อใหม่แต่ถ้าเราหยุดมันเสียธรรมะเราอะ่ะธรรมะมันยังยังยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดเนื้อหา ยังไม่หมดเนื้อหายังไม่หมดความอะยังไม่หมดเนื้อหาคือเนื้อหามันยังไม่สุดอ่ะเนื้อหาเขาธรรมะพูดขึ้นครึ่งกลางๆแล้วก็เลยพยายามพูดไปจนจบโอ้พูดเสร็จจบเรียบร้อยชั่วโมงสิบเจ็ดสิบแปดนาทีพุ่นอะ่ะไปเอาหน้อยๆฟาเป็นชั่วโมงสิบเจ็ดสิบแปดนาทีไอ้พวกกลัวไม่ทันเครื่องเลยใจเสียไปตามๆกันแหละมาที่ไหนได้มะ คอยมันอีกตั้งสี่สิบกว่านาทีเครื่องนั่นเห็นไหนที่สเราเดาถูกงันเถอะเราเดาถูกฟังยิงสี่ฟังออกบอหูหน่ฟังออกบอลสินฟังออกบน่ฟังยาเยอะๆเลยเจ็บเจเขาสัน่ะ เน่เน่าตนาเจะคของยังรู้ได้ได้หนังสือนี่แต่บางครั้งดูไปเนี่ยพลาหมดเลยดูสาสตไปไกลๆดูพลาหมดดูหนังนสือจ้องดูเอ้าได้มีวันตาเราก็ไม่ค่อยอยากใสด่ดอกแล้วเราก็ไม่ได้ใช้มันบ่อยเท่าไหร่ดอกหนังสือนี่ ก็เอาต้นฉบับไปให้ดูก็ทิ้งไว้นั่นแห ล, <c oughs> ละไอ้พรล่ะพร